เพ่งพากันตั้งใจเวลาที่จะได้อยู่อบรมมันมีน้อยใม่พากันคิดให้ามันเห็นนะเราต้องฝึกตัวเองก็เคยเตือนอยู่แล้ว้าจะหวังให้แต่ผู้อื่นมาฝึกจึงจะทำดีได้ เช่นนี้นี่ไม่ไม่ถูกแล้วไม่ว่าบริษัทไม่ว่านักบวชทุกคนมันต้องคิดพึ่งตัวเองเราอยู่ที่ไหนถ้ามีสิ่งอำนวยความสะดวกให้ในการทำความดีแล้วเราก็อยู่พอสำคัญมันอยู่ที่ การฝึกตนรู้จักข่มจิตของตนในเวลาที่ควรควรข่มรู้จักปลอบจิตของตนในเวลาที่ควรปลอบรู้จักประคองจิตของตนในเวลาที่ควรประคองถ้ารู้จักอุบายวิธีสามอย่างนี้แล้วมันก็ไม่ เดือดร้อนอะไรอยู่ที่ไหนอ่ะคนเราวิธีแรกนั่นเมื่อจิตใจมันหึกเหิมมากเพลิดเพลินมากอย่างนี้เมื่อก็ต้องใช้วิธีคมคือตั้งความอดทนลงในใจสะกดจิตนี่ไว้ อย่าให้มันดิ้นไปอย่างรุนแรงกับตัวเองนั่นแหละไปสะกดตัวเองคมตัวเองไม่ใช่ว่าจิตมันมีสองดวงนระืไม่ใช่ความที่จิตอดทนอย่างนี้นะมันก็เรียกว่ามีคุณธรรมอันหนึ่งอยู่ในใจแนละ้วได้แก่ขันติธรรมนี่ ความรู้จักคมจิตของตนอย่างนีแ้แสดงว่ามีสติสัมปชัญญะคุณธรรมสองอย่างนี้มีอยู่ในใจแล้วมันก็คมจิตลงได้มีความอดทนเป็นพื้นฐานเราอาศัยคุณธรรมนะการฝึกจิตใจนี่ถ้าผู้ใดนึกถึงคุณธรรมไม่ได้ ไม่เจริญคุณธรรมให้เกิดขึ้นในใจเรามันเป็นไปไม่ได้การอบรมจิตเพราะว่าจิตนี่มันเปลี่ยนแปลงไปไม่อยู่คงที่อันจิตของสามัญชนธรรมดานี่นะมันเป็นงั้นดังนั้นพระศาสดาจึงได้ทรงแสดงอุบายวิถีฝึกจิตลายสามระยะ อย่างว่ามาแล้วนั่นแหละทีนี้ขั้นเวลาจิตมันคือเขื่เพิดเพลินพลอ่อนแอซะไม่ยอมแสดงความกล้าหาญที่จะต่อสู้ขับกิเลสอันมันเพลพาให้เพลินนั้นเช่นนี้มันก็สู้กิเลสไม่ได้นะใจมันก็เลยเพิดเพลินยิ่งขึ้นไปเรื่อย มันก็อยู่ไม่ได้เลยแบบนั้นนะอืมันก็ประพฤติพอมาจันย์ไปไม่ได้แหละถ้าผูกเป็นนักบวชก็ดีผูกเป็นฆราวาสมันก็ต้องไปทำผิดศีลล่วงศีลและเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นถ้าผู้ใดรู้จักวิธีรู้จักคมจิตของตนได้อย่างนี้แล้วอยู่ที่ไหนก็เอาชนะกิเลสอันหยาบอันนี้ได้ ก็ไม่เดือดร้อนนะต้องให้เข้าใจหรืออีกวิธีที่มันประกอบทางอื่นก็ได้แค่อดนอนผ่อนอาหารลงอย่างนี้การที่บุคคลทำความเพียรเนี่ยเราจะไปเห็นดังแต่แก่ปาก่าแก่ทองเราจะไปทนความหิวโหวยอะไรไม่ได้อย่างนี้เมื่อทำให้กิเลสมันอ่อนลงไม่ได้เลยเพียงนั้น ดองนั้นจึงว่ามันต้องเอาตายไว้เบื้องหลังเลยการทำความเพียรละกิเลสปัญหานี่ใครยังไปกลัวตายอยู่นี่ไม่ได้หรอกสู้อำนาจของกิเลสไม่ได้ในพูดถึงว่าผู้ที่ปล่อยให้กิเลสมันครอบงาจิตทาจิตให้เพลิดเพลินยิ่งอย่างว่านั่น มันต้องได้ทำความเพียรเด็ดเดี่ยวจึงสู้กับอำนาจกิเลสอันรุนแรงนั้นได้แต่ถ้าสายกิเลสไม่รุนแรงถึงขนาดนั้นมันก็ไม่ได้ทำความเพียรเด็ดเดี่ยวถึงถึงขนาดนั้นทาไปพอเป็นทางไปตามทางสายกลางมันก็ไปได้ดังนั้นจึงว่า คำว่าทางสายกลางนี่เราจะไปถือเอาหน้าเดียวไม่ได้เลยดูกิริยาอาการของจิตนั้นประกอบด้วยอืมถ้ากิริยาอาการของจิตของใครน่ยมันลุกปี่ลุกพลนมากมันเหอเหื่มากมันกระด้างกระเดืองมากอย่างนี้นะนั่นก็ต้องใช้ อุบายเล็ดขาดลงไปมันจึงสูเ้เก่าอำนาจของกิเลสที่มันทำใจให้แข็งกระด้างให้ฮึกเหิมต่างๆหมดนั่นทีนี้เมื่อจิตใจมันไม่หึกเหิมเพิิดเพลินอย่างว่านั่นมันแต่เพียงว่า มันตั้งอยู่ด้วยดีแต่ว่าบางคราวมันก็หงอยเหงาเศร้าโศกไปก็มีอันธรรมดาบุคคลที่มีกิเลสอยู่ในใจนี่มันไม่แน่นอนเลยอย่างนี้นะเวลาเช่นนั้นเราจะไปใช้อุบายวิธีเด็ดเดี่ยวอย่างว่านั้นไม่ถูกไม่ถูกแล้ว จะไปใช้คมคูอะไรทำลองนั้นไม่ถูกต้องใช้วิธีปลอบวิธีปลอบทำอย่างไรอะ่ะ <c oughs> ก็ธรรมดาคนที่ผิดหวังอย่างได้อย่างหนึ่งก็เลยสำคัญว่าตนนี่เป็นผู้มีปมด้อยหรือ ก, กว่าตนนี้มีบุญน้อย ไม่สามารถที่จะทำอะไรให้เป็นไปได้ตามประสงค์ก็น้อยเนื้อต่ำใจให้แก่ตัวเองนี่มันเป็นลักษณะนั้นอันบุคคลผู้ที่มักจะหงอยเหงาเศร้าโศกไปต่างๆนานาเนี่นนะใจเวลาเช่นนั้นนะ่มันอ่อนพับไปมันไม่เข้มแข็ง ดังนั้นเราจรึงต้องนึกถึงความดีที่ตนทำมาเป็นอารมณ์นึกเตือนตนว่าตนไม่ใช่ว่าเป็นคนชั่วทั้งหมดไม่ใช่ว่าเป็นผู้พลาดผิดพลาดทั้งหมดคราวที่ทำความดีสม่ำเสม อ, สมอไปมันก็มีอยู่มนันนี้ไปนึกถึงแต่เรื่องไม่ดีไอ้เรื่องดีไม่นึกถึงนะ่ะไม่ถูกต้องไม่จรินธรรม มันก็ต้องึถึงความดีนั่นแหละเพราะว่าตนชอบความดีไม่ได้ชอบความชั่วสิ่งได้เป็นความชั่วเราปัดกันทิ้งออกไปอ่ะไม่ต้องไปคิดถามันเมื่อได้พลาดพังลงไปแล้วอย่างนี้นะมันก็ต้องสลดทิ้งไปเลยวันนี้เรามาคำนึงถึงแต่ความดีเป็นอารมณ์ ตนก็ได้ทำความดีได้สํารวมตนมาอย่างนั้นอย่างนั้นได้บำเพ็ญประโยชน์ตนอย่างนั้นได้บำเพ็ญประโยชน์ผู้อื่นอย่างนั้นนี่เมื่อเมื่อมาคำหนึ่งถึงความดีที่ตนทำมาแล้วเห็นว่ามันมีจริงเช่นนี้มันก็ใจมันก็เข้มแข็งขึ้นก็รู้ว่าไอ้ตนนี่มีบุญกุศลมีคุณธรรมอยู่ไม่ใช่ไม่มี แต่ว่าคุณธรรมหรือว่าบุญกุศลที่ตนพิจารณาเห็นนั่นนะมันก็ยังไม่มีกำลังมากเต็มที่กำลังมันก็ยังอ่อนโยเพราะฉะนั้นบางทีมันก็จึงสู้กับอำนาจชีวิสไม่ได้วันนี้เราก็พยายามบำเพ็ญกุศลความดี ให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปไม่ต้องมานั่งจุกเจ้าเหงาทรงน้อยเนื้อตาใจอยู่นี้หลอกใจตัวเองเข้าไปอย่างนี้เมื่อใจนี่มันมีมันได้รับอุบายอันเหมาะสมแล้วชค่นี้มันก็กล้าหารขึ้นเลยอ่นั่นเองต้อก็ะเด็ดเดียวถันทะพร้อมพอใจ ในการที่จะประพฤติปฏิบัติไปมันก็เกิดขึ้นมันเป็นอย่างนั้นไม่ท้อไม่ถอยอันนี้นะว่าเป็นอุบายวิธีที่ถูกต้องเมื่อใจมันตั้งขึ้นได้แล้วก็มีสติสัมปชัญญะประคองจิตนันไว้ให้มันสม่ำเสมอไปวันนี้นะ ไม่ให้มันกำเริบเถื่ันเกินไปแล้วก็ไม่ให้มันน้อยเนื้อทำใจลงไปนี่ให้มันอยู่กลางๆให้มันเป็นปกติอยู่เส่นความเสียใจอย่างนี้ก็พยายามระวังนะอย่าให้มันเกิดความน้อยเนื้อเสียใ จ, จกับความผิดหวังต่างๆ มันอยู่ที่สตินี่แหละสำคัญนะเพราะว่ามันจะวิตกเรื่องคิดไม่ดีอย่างนั้นขึ้นมาสติมันก็ระลึกได้ทันทีสมปัตชัญญาก็รู้ตัวว่านี่ไม่ถูกทางไม่ต้องวิตกไปสิ่งใดที่มันร่วงมาแล้วก็มันแล้วไปไม่ต้องไปดึงเอามันขึ้นมาตั้งต้นใหม่ <c oughs> ก็เตือนใจของตนเข้าไปอย่างนี้นะนั่นแหละที่เรียกว่าประคองจิตของตนให้สม่ำเสมอไปได้ถ้าไม่มีอุบายแยบคายอย่างนี้นี่มันไม่ได้จิตนะมันจะพลิกไปพลิกมาอยู่เรื่อยไปเพราะฉะนั้นน่ะก็ควรจะพากันจำ อุบายวิธีฝึกจิตใจสามอย่างดังกล่าวมานี้ไว้แล้วหากว่าจิตใจของตนมันมีกิริยาอาการอย่างไรไปแล้วก็จะนึกถึงอุบายวิธีเหล่านี้ให้ได้แล้วก็เอามาใช้ฝึกจิตในขณะนั้น่ะไปให้มันได้ก็ ขอให้พากันคิดให้มันเห็นว่างานในโลกนี่นะงานฝึกจิตใจนี่แหละเป็นการเป็นงานที่จำเป็นจริงๆไงทำไมจึงว่ามันจำเป็นอน๋อมันจำเป็นที่พราะใจมันเป็นใหญ่ปวกกายวาจา ถาใจไม่ดีแล้วเมื่อก็ใช้กายวาจาไปทําชั่วพูดชั่วไปกรรมชั่วมันก็เกิดมีขึ้นแก่ต้นอ่เป็นเงินแล้วผลมันก็คือความทุกข์นี่ต้องคิดให้มันเห็นทีนี้เมื่อเมื่อตอนมาฝึ ก, กจิตใจเนี่ยให้มันดีเข้วภายหลังจะนี้มันก็ใช้กายวาจาทําดีพูดดีไป กรรมดีคือบุญกุศลมันก็เกิดขึ้นมีแก่จิตใจผู้ใช้กายทาใช้วาจาพูดนั่นแหละบุญกุศลไม่ได้เกิดขึ้นที่อื่นมันเกิดมันเริ่มต้นมาจากตรงไหนมันก็เกิดขึ้นตรงนั้นมันก็เป็นธรรมดาจิตเริ่มคิดในการทำบุญกุศลทำกวามดีขึ้นมาแล้วใช้กายทาใช้วาจาพูด ไปเมื่อกางงานอันนั้นมันสําเร็จลงตามเป้าหมายบุญมันก็เกิดขึ้นที่ใจนั่นเองไม่ได้เกิดขึ้นที่อื่นถ้าทาใจนั้นให้เบิกบานผ่องใสสบายใจใจหนักแน่นเมื่อบุญเกิดขึ้นในใจแล้วมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ย พระพุทธเจ้าจึงได้ทรงตรัสว่าทำทั้งหลายมันมีใจเป็นใหญ่สําเร็จแล้วด้วยใจแต่คนส่วนหลายแล้วไม่ค่อยคิดคํานึงถึงจิตใจตัวเองว่าเป็นเรื่องสําคัญไปเห็นความสําคัญแต่ภายนอกนู่นหรือว่ามีสถากนกาเห็นความสําคัญแต่ร่างกายนี้เท่านั้น พยายามบำรุงแต่ร่างกายอ้วนท่วนสมบูรณ์ให้มันมีกําลังแข็งแรงเต็มที่ทีนี้ไม่บำรุงจิตใจให้มันเข้มแข็งให้มันมีกําลังเข้มแข็งอยู่ในกุศลคุณงามความดีไม่ทออยากแกบำรุงนี่มันสําคัญนะคิดให้ดี บุคคลเนี่ยมาคิดบำบรงแต่ร่างกายนี่ให้มันแข็งแรงจะบำบรงยังไงยังไง ร, ร่างกายนี่มันก็แค่นี้แหละเพราะว่ามันเป็นของไม่เที่ยงมันเมื่อมันไม่เที่ยงแล้วอย่างนี้ธรรมชาติของมันไม่เที่ยงแล้วอย่างถึงจะบำบรงให้มันดีขนาดไหนมันก็ แข็งแรงไปช่วระยะหนึ่งเท่านั้นเองนะเมื่อถึงการเวลามันจะวิบัติแปลโปรนไปแล้วมันก็ไม่ฟังนะมันก็วิบัติไปตามการเวลาของมันอย่างนั้นเมื่อบุคคลไม่รู้แจ้งตามเป็นจริงแล้วก็เอาละเศร้าโศกเสียใจเดือดร้อนใจบ่นพิรัยำพันธ์เยทำไมเป็นอย่างนี้ป่าว ไม่นึกเลยว่ามันจะเป็นอย่างนี้นึกมาเท่าไรบนไปเท่าไรยิ่งคุ้มใจไปเท่านั้นนี่เพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนนะเมื่อเข้าใจอย่างนี้แล้วอย่าไปพากันลืมจิตใจตัวเองให้มีสติสัมปชัญญะตามรักษาจิตดวงนี้เนะี่ยอยู่ไปตลอดเวลาเลยทีเดียว ยืนเดินนั่งนอนกินดื่มพูดจาทำการงานอะไรอยู่ก็ต้องมันระลึกถึงจิตใจตัวเองอยู่เสมอเรียกว่ารู้จิตของตนอยู่ทุกระยะหมายความว่าอย่างนั้นเนี่ยรู้ว่าจิตของตนนี่เป็นปกติอยู่รู้ว่าเมื่อเวลามีเรื่องไม่ดีต่างๆกระทงกระทั่งมามันก็ห้ามจิตได้ ไม่ปล่อยให้จิตท่านวันไหวไปตามเรื่องนั้นๆถ้าพูดแล้วก็เป็นหมายความว่าเรื่องสนเสริญหนึ่งเรื่องลินทาหนึ่งเรื่องสุขหนึ่งเรื่องทุกข์หนึ่งเนี่ยก็เรื่องมีลาบหนึ่งเรื่องเสื่อมลาบหนึ่งเรื่องมียศเรื่องเสื่อมยศหนึ่งมันก็ไม่ไม่นอกเหนือไปจากนี่แหลไอ้ที่ว่าไอ้เรื่อง ไม่ดีต่างๆมันกระทบกระทั่งมามันเกิดขึ้นอย่างนี้เราต้องกำหนดรู้ไปทุกอย่างแหละอย่างใดที่มันจะเป็นภัยต่อร่างกายหรือต่อจิตใจอันนี้นะเราต้องกำหนดรู้เท่าร่วงหน้าไว้เลยเช่นอย่างในโลกธรรมแปดประการนี้มันก็ต้อง พิจารณาให้รู้ร่วงหน้าไว้เลยให้รู้แจ้งไว้ให้รู้ว่าเป็นธรรมประจำโลกคือประจำร่างกายสังขารของคนเรานี่แหละไม่ใช่เราไปประจำอยู่ตามแผ่นดินต้นไม้ใบหญ้าอะไรอย่างนั้นไม่ใช่มันประจำอยู่กับร่างกายจิตใจของคนเรานี่เองไม่ใช่มันประจำอยู่ที่อื่น เมื่อบุคคลใดไม่มันพิจารณาให้เห็นแจ้งลงไปอย่างนี้เวลามันเกิดขึ้นมามันก็ตื่นเลยตื่นตนกตกใจไม่นึ ก, กว่ามันจะเป็นอย่างนี้นี่แหละเราก็ทำให้เกิดความเสียใจเศร้าโศกไปน้อยเนื้อต่มใจไปอย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหะ เมื่อเรารู้แจ้งทำเป็นจริงอย่างนี้เสมอๆแล้วเวลามันเกิดมามันก็นึกได้ทันทีเลยอืมเออนี่เรื่องธรรมดา น, นีธรรมดาความเสื่อมลาบเสือเส่อมยศธรรมดาความนินทาความสนสิทสริญธรรมดาแห่งความสุขความทุกข์มันยังมีอยู่ในร่างกายสังขารอันนี้เว้นไม่ได้เลย ไม่ว่าใครจะเป็นผู้วิเศษที่สุดได้แก่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะองค์ก็ยังได้พบกับโลกกระรมเหล่านี้แต่พระองค์รู้เท่าอย่างว่าน่ยไม่วันไว้แม้พระอารหาันตาสาวกก็เหมือนกันต้องได้พบกันทั้งนั้นเลย นี่อย่าว่าแต่คนธรรมดาสามัญเลยดังนั้นเราต้องเรียนรู้ไว้ต้องพิจารณาไว้การภาวนานยะก็เราต้องพิจารณาเรื่องมู่เนี่ยให้มันรู้ชัดไว้ในใจรู้แล้วก็รู้อีกอยู่อย่างนั้นเมืม่อความรู้ไม่ไม่จริงจังอย่างนี้นะเวลา โลกธรรมมันกระทบกระทั่งเข้ามาใจก็ปลิวไปแล้ววันไหลไปแล้วดังนั้นต้องพยายามพิจารณาให้มันรู้แจ้งเรื่อยไปในเรื่องต่างๆนี้นะเมื่อมันรู้เมื่อเมื่อเราเก็บเอาความรู้ความเห็นอันนี้ไว้ในใจให้มันมั่นคงแล้วอย่างนี้มันก็เป็นเกราะป้องกันตัวได้เป็นอย่างดีเลยระเ เวลามีลาบเสื่อมลาบเป็นต้นเหล่านั้นบางเกิดขึ้นมามันก็รู้แจ้งทันทีเลยโอ้เรื่องธรรมดาเท่านี้มันก็ไม่เสียใจเศร้าโศกอะไรเลยเวลาได้ประสบความสุขความทุกข์ขึ้นมาก็เหมือนกันนะมันก็ไม่เดือดร่อนดินรอนอะไรกิตใจนี่นะเออเป็นธรรมดา เมื่อมันมีสุขแล้วมันก็มีทุกข์เป็นคู่กันในโลกอันนี้นะอย่างนี้เมื่อมันมีความสบายขึ้นมามันก็มีความไม่สบายเป็นคู่กันขึ้นมาอย่างนี้เลยสับสองสับนี่มันก็พัดเปลี่ยนกันเอามาใช้บางข้าว่าไม่สบายกายบางข้าก็ว่าไม่สบายใจนะ บางคราวก็เรียกว่าทุกกายบางคราวก็เรียกว่าทุกใจเรียก ว, ว่าความไม่สบายกับความทุกข์นั่นน่ะมันก็เป็นอันเดียวกันนั่นเนี่ยมันเป็นงั้นต้องเราก็ต้องเข้าใจไว้สัพบปูเนี่ยทีนี้ใจนี้นะเมื่อมันรู้แจ้งการเป็นจริง ในของไม่เที่ยงต่างๆโดยเฉพาะร่างกายสังขารอันนี้ก็ดีนอกร่างกายออกไปก็ดีเมื่อมันรู้แจ้งตามเป็นจริงแล้วอย่างนี้มันก็ไม่หวั่นไหวกับความแปรปรวนที่มันมากระทบกระทั่งกับจิตนันนะเออนี่มันของไม่เที่ยงมันก็ไปอย่างนี้แหละแต่เรามาอาศัยอยู่กับ สภาพที่ไม่เที่ยงจะให้มันอยู่นิ่งๆไม่ให้มันกระทบกระทั่งกับดวงจิตนี้มันไม่ได้หรอกร่างกายอันนี้มันก็ไม่เที่ยงเวลามันวิบัติแปรปรวนไปมันก็กระทบกระทั่งกับดวงจิตนี้จิตนี้ก็เกิดความรู้สึกผิดปกติขึ้นมาอย่างนี้อะมันก็เป็นธรรมดา เนาะพิจารณาลงเห็นเป็นธรรมดาไปแล้วมันก็ไม่เดือดร้อนอะไรอ่ะผิดเนี่ยเนี่ยเราต้องพิจารณาบ่อยๆนะเพื่อให้มันรู้ยิ่งขึ้นไปเมื่อมันรู้ยิ่งขึ้นไปถ้าะไรละมันก็ไม่วนไหวหมายความว่าอย่างนั้นถ้ามันรู้พอรางรางเนี่ยมันวนไหวอืมนี่เข้าใจให้มันชัดๆ ด, ดังนั้นแหละ เราจรึงต้องทําความเพียรเพ่งพินิษให้ติด ต, ต่อกันไปเรื่อยๆนี่เพื่อบํารุงความรู้ของจิตนี่นะให้มันยิ่งขึ้นไปนี่ต้องให้รู้จักความหมายเมื่อมันรู้ยิ่งขึ้นแล้วมันทั้งหนักเล่นไปในตัวมันเลยดังนั้นอันจิตนี่นะสามารถฝึกให้มันตั้งมั่นได้ แต่ร่างกายนี้เราจะฝึกให้มันตั้งมั่นอย่างไรมันไม่ไหวมันไม่ได้เราต้องแยกออกเป็นส่วนอย่างนี้แต่ถ้าหากว่าจิตที่ฝึกให้มันตั้งมั่นไม่ได้แล้วไส้บุคคลก็พ้นทุกข์ไม่ได้เลย น, นี่พ้นทุกข์ไม่ได้พ้นคีสตัณหาไปไม่ได้เลย ก็เพราะว่าจิตนี้มันฝึกให้มันตั้งมั่นได้นั่นแหละมันมีกําลังเข้มแข็งเต็มที่แล้วมันมันก็เอาชนะกิเลสได้กีเลสก็ครอบงำจิตนี้ไม่ได้เพราะว่าจิตนี้เป็นผู้สร้างกิเลสขึ้นมาเมื่อจิตไม่สร้างมันขึ้นมาแล้วมันก็ดับไปมันก็เป็นอย่างนี้แต่ที่จิตมันสร้างกิเลสขึ้นมานั่นเพราะว่าจิตมันอ่อนแอ ไม่ได้ฝึกให้มันเข้มแข็งเป็นอย่างนั้นไม่ได้ฝึกจิตนี้ให้มันเข้มแข็งด้วยฐานการบริจาคไม่ได้ฝึกจิตใจนี้ให้เข้มแข็งด้วยการรักษาศีลด้วยการเว้นจากกรรมมันชั่วต่างๆไม่ได้ฝึกใจนี้ให้มันสงบระ ง, งับจากความรักจากความชัง จากความอ่อนแอท้อแท่งง่วงเเอาหาวนอนจากความฟุ้งซ่านเรื่อน้อยจากความสงสัยลังเลต่างๆอย่างนี้ <c oughs> <c oughs> เพราะไม่ได้ฝึกใจมันสงบจากกิเลสเหล่านี้ใจนี้มันจึงได้อ่อนแอไม่เข้าใจกันไว้ทีนี้ถ้าผูดด้ใดฝึกใจ ให้มันสงบลงไปจากความรักจากความชังจากความว่วงเหงาหาวนอนอ่อนแอท้อแท้ในหน้าที่ทางต่างๆหมดนั้นควบคุมจิตได้ไม่ให้มันพุ่งสร้างเพิดเพลินมัวมเมาไปในของไม่เที่ยงไม่ยังยืนต่างๆในโลกนี้พอมันขยับจะคิดพุ่งไปในเรื่องใดๆ เรากาหนดรู้ว่าเรื่องนั้นก็ไม่เที่ยงแล้วจะไปยึดถือเอามันมาคิดมาปรุงมาแต่งให้มันนาคาญใจทาไมอ่ะคิดไปเท่าไหร่มันก็ไม่สมหวังหรอกเพราะมันไม่เที่ยงอย่าไปคิดมันเลยแล้วก็เตือนจิตอย่างนี้ไปบ่อยๆเข้าจะนี่มันจิตมันถูกเตือนบ่อยๆมันก็รู้ตัวเออจริงเนีย คิดเลื่อนลอยไปปีแต่ทุกข์ไม่มีความสุขแม้แต่น้อยเมื่อเป็นเช่นนี้จะคิดมันไปทำไมอ่ะรู้ตัวได้เังไมันก็ถอยกลับมันก็ทวนกระแสจิตกลับไม่ส่งเสริมมันให้มันคิดฟุ้งไปทวนกระแสจิตกลับเข้ามาดูลมหายใจเข้าออกเี่มันหยุดลงไปเมื่อใดก็ได้นะอย่างนี้ เราทวนกระแสจิตเราทวนกระแสจิตเข้ามาดูลมหายใจเข้าหายใจออกนี่เราก็รู้ได้ว่าอารมณ์หายใจเข้าออกมันไม่แน่นอนเลยนะมันอาจจะหยุดลงเวลาไหนก็ได้เพราะฉะนั้นอย่าไปห่วงใยอะไรเลย อย่าไปผูกพันกับสิ่งใดเลยในโลกอันนี้ถึงผูกพันไปได้มันก็ไม่ได้ตามใจหวังหรอกไม่ได้เอาสิทธิ์ตัวไปเมื่อละโลกนี้ไปก็ดีอย่าไปผูกพันกับมันเลยเรื่องดีก็ดีเรื่องชั่วก็ดีอย่าไปสำคัญสัญญาว่าคนนั้นดีคนนี้ชั่วคนนั้นเลวคนนั้นน่าเกลียดน่าชัง คนนั้นน่ารักน่าใครอย่างนี้นะอย่าไปวิตกพีจานไปอย่าทรงใจไปอย่างนั้นถ้าหาว่าผู้ใดทรงใจไปอย่างนั้นแล้วแน่นอนแล้วจิตใจมันก็ฟุ่งไปเรื่อยไม่มีหยุดยั้งเลยกระเดือดร้อนแล้วพอเห็นคนที่ตนน่าเกลียดน่าชังก็เศร้าใจขึ้นมาแล้ว อย่างนี้อ่ะมันมันมันไม่ถูกทางแล้วมันไม่เป็นมัชฌิมาปฏิปทาแล้วไม่เป็นทางสายกลางแล้ว <c oughs> ก็ต้องเตือนตนอีกนี่กําลังเดินผิดทางอยู่นะ น, นี่นะนี่ <c oughs> มันก็รู้ตัวได้ถ้าเตือนตนได้ถ้าไปเห็นบุคคลที่น่ารักน่าใครอย่างนี้ พอเห็นเข้าสะดุ้งเลยจิตเน้ น, นรู้สึกรุนแรงขึ้นมาทันทีเลยยับยั้งคิดให้เป็นปกติปกติอยู่ไม่ได้นี่ <c oughs> มันต้องระวังไว้เสม อ, เ, อเมื่อมันสะดุ้งสะดุ้งก็ข่มจิตไว้ไม่ต้องให้มันคิดปรุงแต่งไป ว่ารูปนั้นสวยอย่างนั้นงามอย่างนี้อะไรอย่างนี้นะมีตกปุ่ยจานไปเมื่อคมจิตได้จิตตั้งมั่นลงไปแล้วเราก็เพ่งรูปนั้นก็เห็นเป็นของไม่เทียงเป็นของโศโคกโศกโปกไปแล้วในตามสภาพความเป็นจริงมันก็เห็นได้ของแตกของดับเมื่อเป็นเช่นนี้ จิตมันก็ยุติลงได้ไม่วิภาควิจารไปต่างๆนาน า, น า, นาอออพยายามระมัดระวังความสงสัยลังเลต่างๆอย่าให้มันเกิดขึ้นในใจนถ้ามันมันคิดว่ามันสงสัยสิ่งใดอย่างนี้ก็รีบค้นคว้าถ้าสงสัยธรรมะหรืออะไรนี่ก็ ถ้าไม่มีครูบาอาจารย์ที่จะปรึกษาหาหรือไถถามเราก็ค้นคว้าตำลักตาราอืดูตาําราเรื่องนี้ท่านอธิบายว่าอย่างไรอย่างนี้เมื่อไปดูตําราไปมันก็ไปเห็นตําราธรรมะมันซึ่งมันตรงกับความสงสัยทั้งโนนั้ น, ท, นท่านอธิบายว่าอย่างไรและมันก็หายสงสัย อุบายวิธีกำจัดกิเลสต่างๆมดนี่มันมีไม่ใช่ไม่มีแต่เมื่อคนไม่คิดอุบายต่างๆเหล่านี้ขึ้นนะมันก็ไม่ได้มันก็ไม่มีอุบายที่จะมาฝึกจิตตัวเองให้มันสงบระงับลงดังนั้นฟังทรรมก็ดีเรียนรรมทมคำสอนพระเจ้าก็ดี ไม่ใช่ไม่มีประโยชน์มีประโยชน์มากมายก็สาวะโกนะแปลว่าผู้เชื่อตามผู้ทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างนี้นะคำว่าสาวะโกนี่นะเมื่อแปลออกไปแล้วเมื่อเป็นเช่นนี้ หากว่าเราไม่เรียนไม่ฟังไม่จำได้เสียก่อนมันจะปฏิบัติตามได้อย่างไรบ้านี้เนี่ยมันต้องเข้าใจให้มันชัดเจนเริ่มต้นมันก็ต้องเรียนเสีก่อนแหละเรียนท่องจำเอาคำสอนของพระพุทธเจ้าให้มันได้จำเอาเรื่องสำคัญสาคัญนะเนี่ ถ้าเรื่องใดไม่สำคัญก็เอาไว้ทีหลังเราจำเอาเรื่องสำคัญให้มันได้เรื่องที่เราจะพึ่งปฏิบัติจะพึ่งเอามาใช้ธรรมะต่างๆหมดนั้นนะเราต้องเอามาใช้ทั้งนั้นนะคนไม่รู้ทำรรก็ะหมายความว่าคนไม่รู้จักเอาธรรมะมาใช้เมื่อเวลา กิเลสมันเกิดขึ้นใน จ, ใจิตใจนึกถึงธรรมะที่จะมาเป็นคู่ปรับกับกิเลสอันนั้นไม่ไม่เห็นเลยอยู่นี่นกิเลสมันก็กำเริบขึ้นไปมากๆขึ้นเรื่อยๆเดียวเหมือนกับโรคภัยในร่างกายของคนเราเนี่ยเมื่อปล่อยให้โรคภัยอันนั้นมันกำเริบขึ้นไม่ ไม่คิดหายาไม่รีบไปรับประทานยาที่มันแก้โรคอันนี้ได้อย่างนี้นะโรคมันก็กำเริบยิ่งขึ้นไปเลยร่างกายนี่ก็ได้รับความทุกข์ยากทุรน ท, ทุลายไปต่างๆนานานี่ชั้นใดจิตใจนี่ก็เหมือนกันนะจะถ้าปล่อยให้กิเลสมันครอบงาจิต มากมากเข้าไปเท่าไรไม่รีบนึกถึงธรรมะอันเป็นเครื่องระงับกิเลสนี่จิตนี่มันก็ป่วนปั่นวันไหวไปแล้วไปตามอำนาจของกิเลสมันก็ช้นนั้นเนี่ยให้พากันเข้าใจไม่เช่นนั้นแล้วพระสัทดาก็จะไม่แสดงธรรมะไว้ให้พุทธบริษัท์ได ฟังได้จำเอาไปปฏิบัติตามถ้าเพียงแต่ว่ามากาหนดจิตนี้คมจิตนี้ละกิเลสไปเรื่อยกิเลสมัน ก, ก็ดับไปเรื่อยอย่างนี้มัน ก, ก็ไม่จำเป็นต้องไปเรียนธรรมะอะไรแล้วเนี่ยลองคิดดูเรจะมาคมจิตละมันเอาดรื่อยเลยมันไม่ได้สิป น, นีนะ เช่นอย่างว่าคนรักสวยรักงามอย่างนี้นะเราถ้าถ้ามันเกิดความรักขึ้นมาไอ้ น, นี่ได้เว่ยข่มใจให้มันความรักอะไรมันสงบลงไปทันทีมันมันยากข่มลงไปมันก็สงบอยู่ได้ชัว่วคราวเท่านั้นแหละน้อยเดี๋ยวก็ดันขึ้นมาอีกนี่ ทีนี้ถ้าว่าเราสกัดกั้นความรักอย่างว่านั้นไว้ได้แล้วก็ เ, เพ่งดูว่าทำไมมันไปรักรูปนั้นมันวิเศษอย่างไรรูปนั้นนะอย่างนี้รูปนั้นกับรูปนี้มันเหมือนกันหรือต่างกันอย่างนี้นะรูปนี้หมายถึงรูปกายที่ตนอาศัยอยู่นี่ รูปนั่นก็หมายความว่ารูปนอกนอกกายนี้ออกไปเมื่อมาดูรูปนี้ไปเทียบกับรูปนั่นมันก็ไม่แตกต่างอะไรกันเลยประกอบขึ้นด้วยธาตุสี่ดินน้ำไฟลมเหมือนกั น, นแล้วก็พูดถึงความตกก็ปลกโศเคราอย่างนี้มันก็เหมือนกันพูดถึงกลิ่นอย่างนี้ มันก็มีกลิ่นเหม็นนะ่ะเป็นพื้นเลยรูปร่างกายอันนี้นะไอ้ที่มันหอมนั่นเนื่องจากว่าเอาน้ำอบน้ำหอมมาชโลมไว้เฉยๆมันจะมีกลิ่นนันหอมออกมานี้ถ้ากลิ่นธรรมดาของร่างกายนี่เช่นอย่างเมื่อเวลาเหงื่อใครมันไหลออกมางี้นะ ติดเกิดกังอยู่ตามผิวหนังตามผ้าผ่อนวนี่มันก็ส่งกลิ่นเหม็นออกไปแตะจมูกของคนเลยอลองคิดดูอ่ะไม่ใช่มันหอมเมื่อไรด้กรูปร่างอันนี้นะมีกลิ่นก็เหม็นมีสีก็ไม่งามอ่าสีมันก็ขอประนันนะสีเหลืองสีขาวสีแดงสีดำ อะไรหมวดนี้มันก็มันก็งามอยู่แต่ว่าเวลามันไม่ไม่วิบัตินั่นเองเนะี่ยเพราะว่าสีเหล่านี้มันอาศัยรูปร่างกายอันนี้เนะี่ยอาศัยดินน้ําไฟลมนี่นะถ้าธาตุอันนี้มันแปลปรนไปสมมุติอย่างว่าเลือดที่มันเคยวิ่งไหลอ ย, อยู่ในร่างกายอยู่ในผิวหนังอันเนี้ยถ้าเลือดนี่มันปกติอยู่เนี่ย มันก็ทำให้ผิวกายนี่เปล่งปรั่ังออกมามีน้ำมีนวลดี <c oughs> อย่างนี้อ่ะซีพอว่าเลือดนี่มันจางไปแบบนี้นะมันวิบัติลงไปมันจางไปเอา้ามองดูผิวหนังเนี่ยสูบซีดไปแล้วนี่มันเป็นอย่างนี้นะเราต้องพี่นะให้มันละเอียดตรงไป การพิจารณารูปกายนี่นะเราจะได้เห็นว่ามันไม่เที่ยงวันนี้นะเออจริงเนะี่ยมันไม่เที่ยงแท้แรูปอันนี้นะอืจิตนี้เมื่อมันไม่ได้พิจารณาแยกแยะดูให้ละเอียดถีท่วนมันก็เลยหลงสําคัญอวิป็นของสวยของงามไปเป็นของเที่ยงยั่งยืนไปอืมมันเป็นอย่างนี้นี่แหละ ไอ้อุบายวิธีฝึกจิตใจนะให้เข้าใจเมื่อเราตามเพ่งดูความจริงความจริงเรื่องนั้นมันบังเกิดขึ้นแล้วมันก็หายสงสัยแบบนี้แต่มันก็หายสงสัยไปในในระยะที่พิจนาเห็นนั่นแหละถ้าว่าความรู้แจ้งอันนี้มันยังไม่ไม่เด็ดขาดลงไปจริงๆแล้วมันยังมีเวลาหลงอยู่นะนั่น ท่นไปไปเผลอสติเผลอตัวเข้าไว้มันก็กลับไปเห็นดีเห็นงามเห็นเป็นของสวยคืนของเก่านั่นอีกแล้วมันเป็นอย่างนี้ดังนั้นอย่าไปไว้วางใจพี่น้าเห็นครั้งเดียวแล้วมันแล้วไว้ไม่ไม่ใช่เราต้องคิดเจรณาอยู่อย่างนั้นเลยถ้าว่ า, ามันเผลอขึ้นมา มันมันจะหวนกลับไปทางเก่าอยู่เอาก็พิจารณาตามเดิมนะพิจารณาเพราะว่าของความจริงมันก็หนีความจริงไม่พนะนน้นเมื่อคนคว้าเพ่งพินิดเข้าไปถึงความจริงแล้วมันก็หยุดลงได้มันเป็นอย่างนั้นแม้ความชังความโกรธก็เหมือนกันนะก็ความโกรธนี่แหลย ถ้าหากว่าพูดถึงชั้นละเอียดเข้าไปแล้วนะถ้าจิตดําเนินทางวิปัสนาเพ่งดีนาะแยกแยะรูป ก, กายนี้ออกจนไม่มีชิ้นมีส่วนอะไรเป็นของว่างของเปล่าจากตจากบุคคลเห็นเป็นสภาวะธาตุอะไรลงไปอย่างนั้นแล้วความโกรธนี่มันก็หายไปเลยเอา้าจะไปโกรธธาตุดินน้ําไฟลมทําไมแล้ว จะไปเกลียดดินน้ำไฟลมทำไมเล่าเพราะว่าธาตุมันก็เป็นธาตุอยู่อย่างนั้นนะมันไม่เป็นยางไงใครจะไปทุบไปตีใครไปทำลายมันอย่างไรมันก็ลงเป็นธาตุของเก่ามันไม่ได้เป็นอย่างอื่นเลยอืมนี่แล้วแล้วจะไปถ้าหากว่าไปทุบไปตีต้นไม้ใบหญ้า หินกรวดอันหมนั้นทมันก็มันก็ไม่มีโทษอะไรหรอกเพราะมันไม่มีจิตคลอง น, นั่นเแต่ถ้าไปทุบไปตีคนและสัตว์อันที่มีจิตใจคลองเข้าไปไปทำลายร่างลูป ก, กายอันจิตคลองอยู่อย่างนั้นแล้วมันเป็นบาปเป็นโทษที่วันนี้นะเพราะมันมีเจ้าของห่วงเห็น น, นั่นเองเจ้าของก็คือจิตนั่นเอง มันถึงได้เกิดเป็นบาปอากุศลขึ้นมาแต่ว่าทรัพยากรภายนอกดินหินกรวดต้นไม้ใบหญ้าแต่ถ้ามีเจ้าของห่วงเห็นแล้วเจ้าของมีกรรมสิทธิ์แล้วใครไปทำลายมันก็มีโทษทางกฎหมายบ้านเมืองเหมือนกันเนี่ยนี่เราสังเกตดูแต่ถ้าธรรมชาติภายนอกนั่นหากไม่มีใครห่วงเห็นแล้ว ไปทำลายมันไม่เป็นบาปเป็นโทษะมันเป็นอย่างนั้นแต่ว่าร่างกายสังขารเนี่ยมันมีใจครองอยู่ดะงนั้นพอใดทำลายเมื่อใดมันก็ชื่อว่าไปทําลายสมบัติของเจ้าของเขาเขาไม่ได้อนุญาตเลยอย่างนี้มันถึงเกิดบาปเกิดโทษขึ้นมาถ้าได้พิจารณาลงไปจน เจีมแจ้งด้วยเหตุด้วยผลดังกล่าวมานี้แล้วผู้นั้นก็จะเว้นจากการเบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นได้เลยแล้วก็จะไม่โกรธไม่พยาบาทไม่จองเวรกันเลยนี่นี่แหละธรรมะคาสอนของผู้เฒ่าเจ้านะมันเป็นเครื่องกําจัดกิเลสและกองทุกข์ออกไปได้จริงๆริงมีนะถ้าบุคคลใด น้อมเข้ามาสู่จิตใจให้ธรรมะนั่นๆมาปลากดอยู่ในจิตใจนี่อย่างนี้มันก็ขับไล่กิเลสออกจากจิตใจได้จริงๆเลยเมื่อมันขับออกไปได้จริงอย่างนี้รู้ได้อย่างไรก็รู้ได้แลเช่นอย่างว่าแต่ก่อนเนี่ยใครมาด่าว่าทีเตียนเนี่ยมันมาโกรธมันทุนเสียวเลยไม่พอใจเลยอย่างนี้นะ ทีนี้เมื่อเพ่งพี่นาะเข้าไปอย่างว่ามาแล้ว่ะเห็นรูปเห็นกายอันนี้แจ้งตามไปยิงด้วยปัญญาอันยิ่งแล้วอย่างนี้นมันไม่โกรธแล้วขยันเสนอเสนอนินทางไงมาด่าว่าตีเตียนมันก็ไม่โกรธเพราะมันรู้ความรู้อันนั้นแหะมันเป็นเครื่องรับประกันในตัวอะไร ร, ร, ะรับประกันมาให้โกรธเอาไม่โกรธทําไมอ่ะ เขาด่าเขาก็ด่ารูปกายอันนี้รูปกายอันนี้ก็ไม่ใช่ของเราเอเป็นแต่สภาวะ ธ, ธาตุเฉยๆอย่างงี้เราไม่ได้หวงเห็นเลยเอเราปรงแล้วเราวางแล้วเราไม่ได้ถือมั่นว่าเป็นของเรามันมันก็ไม่โกรธแล้ววันนี้เมื่อมันไม่จิดถือมั่นว่าเป็นของเราของเขาแล้วไอ้คนผู้ด่านั้นอย่างเนี้ยก็รู้ว่าไม่ใช่เขา เขาไม่มีอยู่ในนั้นเลยมันเป็นเพียงสังขารเท่านั้นมันปรุงแต่งขึ้นมาที่คำด่าว่านั้นมันเป็นอุญยาีิสังขารความปรุงแต่งให้เกิดเป็นบาปอกุศลขึ้นมานี่เราเรียนรู้ไปหมดเลยนะเมื่อเรียนรู้ได้แจ้งอย่างนี้แนละ้วมันก็หายสงสัยไม่อยากโกรธใคร แม้คำสรรเสริญก็เหมือนกันนะมันก็เป็นศักดิ์แต่เพียงว่าแสดงออกซึ่งความยินดีของผู้นั้นเท่านั้นเองความยินดีอันนั้นมันก็ไม่เทียงเหมือนกันเสียงที่สรรเสริญเยินยอมามันก็ไม่เที่ยงนะมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปแล้วก็เรียนรู้ไว้ทุกแง่ทุกมุมไปเลยอย่างนี้นะ เมื่อมันรู้ไปได้ทุกแง่กมุมมันก็หายสงสัยมันก็ไม่ยึดไม่ถืออะไรอะไรจะเกิดมันก็เกิดไปอะไรจะดับมันก็ดับไปตามเรื่องของมันเอความดีมันเกิดมันก็เมื่อมันจะเกิดความดีมันก็มันก็เกิดขึ้นมาเองมันเมื่อมันเกิดขึ้นมามันจะดับมันก็ดับไปเองมันผมชั่วก็เหมือนกันเกิดขึ้นมาแล้วมันก็ดับไป <c oughs> มันก็เป็นอยู่เนี้ยเมื่อผู้ใดมาฝึกกิตนี่ได้ไม่ให้วันไหวไปตามสังขารที่มันเกิดเกิดดับดับอยู่อย่างว่านะั้นนี่จิตนี้มันก็พ้นทุกได้ที่วะนี่ น, นั่นี้มันก็ไม่ทุกไม่ร้อนกับสิ่งใดแล้ว <c oughs> นี่นะพอพูดมาถึงตรงนี้แล้วถึงว่ามันมารวมลงอยู่ที่ บุคคลไม่พยายามฝึกจิตนี้ให้ติดต่อกันนะเนี่ยปล่อยให้มันเป็นวักเป็นตอนไปปล่อยให้มันเกิดความเสียใจเศร้าโศกไปพอแรงแล้วจึงมาฝึกตนจึงมาทำความเพียรละมันอย่างนี้นะแล้วแล้วมันจะไป ละกิเลสต่ว น, นี้ได้ง่ายๆยังไงล่ะเพราะว่าแ้าปล่อยให้มันมีกำลังแข็งแรงขึ้นมากต่อมากแล้วอันจิตนี้ไอ้อกิเลสนั่นนะ่ะนั่นต้องให้เข้าใจไว้ดังนั้นผู้ที่มีความเพียรมีปัญญาทั้งหลายท่านจะไม่ปล่อยให้กิเลสมันท่องสมกำลังกัน ครอบคามคิตนี้จนว่าตั้งมั่นไม่ได้ตั้งมั่นต่อกุศลความดีไม่ได้เลยเพอมันโผล่หัวขึ้นมาก็กําจัดมันออกไปทันทีกําหนดละมันทันทีนี่ไม่เลี้ยงมันไว้ันเป็นอย่างน้นเราอาศัยบุญกุศลความดีที่ทํานี่แหละเป็นกําลังใจใจนี้ถ้าไม่มีบุญกุศลเป็นกําลังแล้วก็อย่างว่า มันก็สู้อำนาจกิเลสไม่ได้<ม><ม>ก็อย่างที่ว่ามานั่นแหละกระทบทวนอีกเราเอาฐานเป็นกำลังสำหรับขจัดความโลภความเห็นแก่ตัวออกไป<ม>เราเอาศีลเป็นกำลังสำหรับขจัดความโกรธความไม่พอใจต่างๆความพยาบาท ความพอใจในการเบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นขจัดความโกรธนี้ออกไปเพราะว่าเมื่อผู้ใดมั่นอยู่ในศีลแล้วนะมันมันก็กาจัดความโกรธ ไ, นะได้จริงๆเอาพอมันคิดจะโกรธจะเบียดเบียนใครเข้ามาอา้าวนี่ศีลมันจะขาดทำไปไม่ได้ รักศีลยิ่งกว่ากิเลสตัณหาเหล่านั้นอย่างนี้นะเราต้องรักศีลไว้ต้องสอนใจเองตนให้รักศีลยิ่งกว่ารักกิเลสตัณหาไปรักมันทํำไมความโกรธอนะ่ะมันดียังไงอ่ะนี่สอนใจตัวเองเข้าไปอย่างนี้นะเมื่อมีอุบายสอนเข้าไปานี้มันก็เห็นแจ้งสิ เออจริงนะถ้าบุคคลผู้ใดมันยัง่งความโกโรธให้แก่คนโน้นคนนี้อยู่ก็แสดงว่ารักความโกโรธแลมันยังได้ยึดเอาความโกโรธไว้ในใจนีจนนนเออนะ่เป็นอย่างนั้นนี่เรื่องอุบายนะเนอ่ยนี้จิตมันก็เห็นชอบตามที่วันนี้เออจริงนะ ถ้าหาว่าตนไม่โกรธก็แสดงว่าไม่ได้รักความโกรธนั้น mm. ถ้าตนยังโกรธอยู่อย่างนี้ก็แสดงว่าตนนั้นรักกับความโกรธได้ชื่อว่ารักกับของที่มีพิษมันก็ทำพิษให้ตนเป็นทุกข์อย่างนี้ล่ำไปแถมยังพ่นพิษไปคนอื่นเป็นทุกข์ไปตามอีกด้วยเจ็บปวดไปตามอีกด้วย mm. แล้วก็เพ่งพิจารณาสอนใจตัวเองเข้าไปอย่างนี้เมื่อใจมันเห็นชอบตามปัญญานั่นแล้วมันก็บรรเทาความโกโรธลงไปเรื่อยๆไอ้เรื่องความโกโรธนี่มันมีอยู่ในใจของคนเราทุกคนแหละไม่แต่ว่ามันต่างกันนะมากและน้อยกู ก, กันเท่านั้นเองแต่ความโลภนี่ บางคนอาจจะไม่ไม่มีมาอาจจะเป็นนิสัยไม่ไม่มีมาแต่แต่เดิมก็ก็มีเรื่องมานนะ่ะหมายเอาอะไรความโลภ ก, ก็หมายเอาความเพ่งเลงไปในสมบัติของผู้อื่นอยากได้สมบัติผู้อื่นมาเป็นของตนนั้นในศัพท์ของคําว่าโลภคํานี้นะแปลว่าความเพ่งเลงมันเพ่งไปในสมบัติของผู้อื่น ในทางทุจริตอยากได้มาง่ายๆโดยไม่ต้องซื้อต้องหานี่นะเช่นหาอุบายเลขเหลี่ยมไปช่อเอากงเอากี่เอาปล่นเอาอย่างนี้นะนี่เนี่ยท่านเรียกว่าความโลภนะให้เข้าใจแต่บางคนอาจจะมีนิสัยไม่โลภอย่างนี้มาติดตัวมา แต่เรื่องความโกรธนี่มีทุกคนเลยต่างจะมากและน้อยกูกันเท่านั้นเองเนี่ยดังนั้นอย่าไปเมินเฉยนะการทําความเบียดล่า ก, กิเลสเราต้องค้นเอามาให้มันเห็นตีแผ่ออกไปให้มันเห็นหมดเลยให้มันเห็นไตของกิเลสเหล่านี้นะมันเป็นยังไงมันซุกซ่อนอยู่ตรงไหนอ่ะอนี่ เราต้องค้นหาสมุิฐานของมันให้มันพบหมดเลยอย่างนี้แหละธรรมะเนี่ยมันมันก็ค่อยละเอียดเข้าไปโดยลำดับเมื่อเราปฏิบัติไปภาคเ พ, พียรพยายามเพ่งพินิจไปความรู้ความเห็นมันก็ละเอียดเข้าไปเรื่อยๆเมื่อมันเห็นลงไปเป็นสภพวธาตไปหมดแล้ว มันก็ไม่มีอะไรที่จะมายึดถือเอาว่าเป็นเราเป็นของของเราอารมณ์คือความคิดนึกต่างๆก็เป็นธรรมธาตุนี้เป็นธาตุชนิดหนึ่งนั่นเนี่ยมันไม่ใช่วันเป็นของอะไรทั้งหมดไม่มีแเราเพ่งดูด้วยปัญญาแล้ว มันก็เห็นได้มันเกิดมันดับไปอยู่เท่านั้นเองฮะดับลงไปว่าเป็นธาตุอยู่ตามเดิมปรุงแต่งขึ้นมากับปรุงแต่งจากธาตุเหล่านั้นเองเนี่ยไม่ใช่อย่างอื่นใดความโกรธอย่างนี้นะลองพี่นาอีกหนึ่งลองดูทีถ้าจิตนี้ไม่ได้อาศัยร่างกายอานันนี้มันจะเอาอะไรมาแสดงความโกรธออกมาได้ลนะ นั่นไม่มีในเมื่อจิตได้มาอาศัยร่างกายอันนี้แล้วเมื่อเสียงกระทบหูเข้ามาอ่าถ้าเป็นเสียงด่าเสียงทอเสียงนั้นเข้าไปวิญญาณทางหูมันก็ส่งเข้าไปหาจิตจิตรู้ว่าคนนั้นด่าเราอย่างนี้นะนั่นเมื่อก็ไม่พอใจขึ้นมาแล้ว โกรธขึ้นมาแล้วอย่างนี้นี่ถ้าเราเพ่งพิจารณาดูหูกับเสียงที่มากระทบวิญญาณที่อาศัยหูอยู่เนี่ยมันเที่ยงหดือไม่เที่ยงเพ่งดูแล้วก็เห็นว่ามันไม่เที่ยงเสียงก็ไม่เที่ยงเสียงที่เสียงด่าเสียงทอมันไม่เที่ยงวิญญาณที่อาศัยหูอยู่นี่ก็ไม่เที่ยงแก้วหูอันที่รับเสียงต่างมนนี่ก็ไม่เที่ยง บางทีแก้วหูนี่แตกแล้วคนคนมื่อก็หูหนวกเลยไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยอย่างนี้ไอจิตที่มันคิดปรุงแต่งโกรธกับเสียงด่าเสียงทอมันก็นมนไม่เที่ยงทางนั้นเลยเกิดขึ้นแล้วก็าดับไปนี่วิปัตนายานเราต้องแยกเราต้องเพ่งแยกแยะพิจารณา ให้ละเอียดและออไปอย่างนี้นาให้มันเห็นแจ้งไปทุกกระเบียดนิ้วของร่างกายอันนี้ไปเลยอย่างนี้เห็นแจ้งในอารมณ์ที่เกิดขึ้นกับดวงขีจนี้มันก็ไม่เที่ยงไม่ยังยืนอะไรเลยเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปคิดขึ้นแล้วก็ดับไปอยู่อย่างนั้นจะไปดีใจเสียใจกับความคิดอันนี้ทำไมนี่ มันก็ต้องพิจารณาให้มันละเอียดแล้ว อ, อลงไปอย่างนีนะ้เมื่อมันเห็นแจ้งไปเท่าไรมันก็คลายความยึดถือไปเท่านั้นนี่มันก็หายหลงไปแบบ น, นี้นะไม่หลงแล้วไม่หลงรูปหลงนามอันนี้แล้วถึงพิจารณาเวลาใดก็เห็นแจ้งชัดเวลานั้นนี่